สำหรับในวันเสาร์นี้เราก็จะได้มาเฟะกันต่อจากเสาร์ที่แล้วไม่ทราบว่าได้ลองไปปฏิบัติที่บ้านกันบ้างหรือยังเอ่ยเพราะว่าเวลาเรามาปฏิปทาธรรมนั้นจริงๆคงจะไม่ใช่เพียงแค่การบรรยายอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเราต้องมาลงมาทดลองด้วยตัวของเราเองด้วยแล้วเราจะได้รู้เข้าใจมากขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวจะได้เป็นเพียงแค่ตัวตัวหลักหรือตัวทฤษศีเท่านั้นจะเรียนพอ คราวที่แล้วนั้นที่อาตมาได้สอนสอนให้ดูในชีวิตประจําวันนะเพราะฉะนั้นคงมีเวลาปฏิบัติกันน ะ, จะเจริญพรเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทําอะไรเท่านั้นเองนะคือไม่ต้องมีที่ว่างมากหรือว่าไม่ต้องมีสถานที่จำเพาะหรือว่าจะต้องมาที่วัดเท่านั้นเพราะว่าการปฏิบัติ จ, จริงๆนั้นทําได้ตลอดเวลาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าเราจะทํากิจการงานหน้าที่อะไรนะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ให้น้อมใจมา คราวที่แล้วนั้นที่อาตมาได้สอนไปเป็นเรื่องของอปฏวีธาตุก็คือดูภาวะที่เป็นกลุ่มก้อนรูปร่างที่มันเปลี่ยนแปลงในขนณะที่เราทําอิรยาบดต่างๆวันคราวนี้ในการปฏิบัติในประเทศไทยนั้นนอกจากในเรื่องของดูปฏวีธาตุตรงนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของการดูไบโยธาหรือสังเกตไบโยธาคือธาตุลมอันนี้เผื่อบางท่านที่บอกว่าเวลาไปสังเกตเข้าไป <c oughs> เผื่อเวลาไปสังเกตในส่วนของปัตวีธาต์ดูได้ไม่ถนัดนะหรือไม่เได้ไม่ถนัดก็อาจจะลองทดลองนะสังเกตจากวาโยธาต ร, ตรงนี้ก่อนก็ได้นะวายโยธาในที่นี้ก็คือธาตุลมนะธาตุลมนี่คืออะไรเอ่ยนะในที่นี้เราจะเอาธาตุลมนี้มาเป็นอารมณ์กรรมาฐานนะคือมาใช้ในการกําหนดนะธาตุลมในที่นี้ก็คือภาวะเกรงตึงหย่อน หรืออาการสั่นอาการเคลื่อนไหวบางท่านบอกสังเกตรูปแรกเนี่ยไม่ชัดแต่พอสังเกตดูอาการเกรงที่เกิดขึ้นหรืออาการตึงที่เกิดขึ้นหรืออาการที่มันผ่อนคลายลงในขณะทีเ่เราวางเท้าก็ตามวางมือก็ตามมันสังเกตชัดยกก็อาจจะเอาอันนี้มาเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยก็ได้นามาสังเกตเป็นอารมณ์กรรมฐานของเราเลยเพื่อให้จิตใจของเราพองใสแล้วก็สงบอยู่กับการสังเกตลักษณะนี้ ในการสังเกตธาตุลมนั้นมีได้หลายอย่างด้วยกันหนึ่งสังเกตลมหายใจคือลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกตัวลมหายใจเนั่นแหละคือธาตุลมนะอาการที่มันวิ่งและอาการที่มันสัมผัสอาการที่มันพัดไปมาอันนี้คือธาตุลมอย่างที่สองก็คือดูอาการเคลื่อนไหวคืออาการเกรงอาการตึงที่เกิดขึ้นหรืออาการแขนขาของเราที่มันเคลื่อน วันนี้ในช่วงแรกอาตมาจะสอนในเรื่องของการเคลื่อนไหวก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายหน่อยสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติตอนแรกนะเราจะดูในเรื่องของอาการเกรงตึงหย่อนเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานนะในที่นี้อยากจะให้โยมลองทดลองดูนิดหนึ่งเพราเพะนันให้โยมอลองนั่งคัดสมาธิสบายๆนะ มันจริงๆวิธีการสังเกตแบบนี้จะใช้ได้ทั้งการเดินการนั่งหรือแม้แต่กระทั่งสังเกตลมหายใจที่เข้าออกอันนี้เราสามารถสังเกตได้หมดเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าโยมท่านใดพกโทรศัพท์มือถือมาช่วยเปลี่ยนเป็นระบบสันหรือไม่ก็ปิดเลยก็ได้น ะ, จะเจริพรเพราะว่าเสียงจะได้ไม่รบกวนท่านอื่ น, อ, นะนอ้าวนะเจริพรวิธีการ ในที่นี้จะลองให้สังเกตอาการเกรงตึงหย่อนก่อนโนะยมวางมือทั้งสองไว้ที่หัวเข่าแบบนี้เราจะยกมือหรือว่าใช้ท่าเหมือนกับคราวที่แล้วที่เราได้ลองปฏิบัติเลยแต่การสังเกตจะแตกต่างละคราวที่แล้วนั้นอาตมาให้โยมสังเกตรูปร่างใช่ไหมที่เป็นกลุ่มก้อนที่มันงอแบบนี้งอเสร็จมันงอมากขึ้นหมุนแล้วก็ตอนที่มันพับเข้ามาตอนนี้จะให้โยมสังเกตเพิ่มมากขึ้น ในที่นี้โยมเลือกเอานะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งพอนี่ยไปทําสลับกันนะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกสังเกตได้ชัดนะแล้วเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานก่อนทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้ชํานาญแล้วเราค่อยไปทําอีกอย่างหนึ่งแต่ที่ว่าอาตมาให้โยมสังเกตสองอย่างนี้เพราะว่าถ้าที่ทดลองมาแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันบางคนบอกดูรูปร่างชัดบางคนรูปร่างสังเกตยังไงก็ไม่ชัดไม่รู้สึกก็ให้มาดูอาการเกร็งตึงหย่อนตรงส่วนนี้ ในที่นี้เราจะเริ่มจากมือขวาก่อนวิธีการวางมือสบายๆายอมลองสังเกตสิตอนนี้ถ้าเวลาเราวางมือแบบสบายๆรู้สึกเกร็งที่แขนขวาทั้งแขนไหมไม่รู้สึกเกร็งใช่ไหมอาการอย่างนี้เราเรียกว่าอาการผ่อนหรืออาการหย่อนอาจจะได้เข้าใจนะคืออาการแบบนี้คราวนี้เดี๋ยวจะให้ยมเขาค่อยยกแขนขวาขึ้นนายมดูก่อนนะยกขึ้นแค่นี้พอ ยกขึ้นแค่นี้แล้วก็หมุนแล้วก็พับเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราไม่ใช่ยกขึ้นแบบลอยๆหรือดูลูปร่างแล้วก่อนยกลองยุมลองสังเกตลองทําช้าๆน่าจะเห็นชัดลองดูซิว่าอาการที่มันหย่อนอาการที่มันผ่อนกล้ามเนื้อที่มันผ่อนคลายแบบนี้มันเริ่มเกรงที่ตรงจุดไหนบ้างเริ่มเกรงตรงจุดไหนบ้างก่อนที่มือจะยกและในขณะที่กําลังยกนั้นมันเกรงที่ตรงจุดไหนตอนที่เราหมุนข้อมือมันเกรงที่ตรงจุดไหน ตอนที่เราพับข้อมือเข้ามามันมีอาการเกรงที่ตรงจุดไหนบ้างนอกจากนั้นยมสังเกตเพิ่มมากขึ้นก็คือว่าในขณะยกหรือขณะหมุนขณะพับจุดไหนที่เคยเกรงแล้วแล้วมันรู้สึกผ่อนลงไปหรือมันรู้สึกหย่อนลงไปอ่าตรงนี้เข้าใจไม่เอ่ยมีใครสงสัยไหมมีไม่เอ่ยไม่มีนะ อ้าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเริ่มช้ชาๆก่อนมันจะได้สังเกตชัดๆนิดหนึ่งนะแต่ไม่ช้ามากนะอ่าพร้อมนะเราจะเริ่มที่มือขวาก่อนนะอ่าทําใจให้สงบนะอ่าวแล้วค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตมาที่แขนขวาตอนนี้เราจะรู้สึกถึงแขนขวามันมีอาการผ่อนคลายใช่ไหมเราเรียกว่าอาการหย่อนนะอาการผ่อนคลายอ่าจากนั้นค่อยๆสังเกตนะอาค่อยๆยกแขนขวาขึ้นนะก็ขณะที่ก่อนยกสังเกตก่อนอย่าเพิ่งยกเลยนะ ก่อนยกสังเกตก่อนมันมีอาการเกรงที่ตรงจุดไหนนะเกรงแค่ไหนแล้วมือถึงเริ่มยกอา้าวลองเริ่มเลยยกขึ้นมาแค่นี้พอละขณะยกสังเกตนะมันมีอาการเกรงอยู่ใช่ไหมอา่าขณะนี้หมุนขณะหมุนนั้นตรงไหนเกรงอา่าคขาะนี้พับ ขณะพับตรงไหนเกร็งตรงไหนที่เคยเกร็งแล้วมันมันรู้สึกผ่อนลงไปอ่าคนนี้แขนซ้ายบ้างยกค่อยสังเกตนะหมุนพับ อาขณะพับเข้ามาอย่างนี้สังเกตได้ไหมว่าตรงไหนเกร็งบ้างตรงไหนพันไปได้นะอ่าต่อจากนั้นกลางลองสังเกตตรงไหนที่มันเกร็งมันหย่อนตรงไหนเกรง็งหมุนข้ามมือลงนะวางวางช้าช้านะพอมือสัมผัส นปล่อยน้ำหนักแล้วเราจะสังเกตถึงอาการหย่อนที่มันเกิดได้ใช่ไม้มกลางหมุนวางสังเกตได้ไหมเอ่ยขณะยกเรารู้สึกถึงกล้ามเนื้อตรงไหนที่มันเกร็งที่มันตึงขณะยก ขณะหมุนสังเกตมีตรงไหนที่มันเกรง็งที่มันตึงขณะพับสังเกตตรงไหนที่เกร็งตึงแล้วตรงไหนที่มันรู้สึกผ่อนกล้ามเนื้อตรงไหนที่มันรู้สึกผ่อนหรือหย่อนไปนะกลางสังเกตเหมือนกันขณะกลางออกนี่สังเกตค่อยๆสังเกตไปนะหมุนตอนวางนี่ลองสังเกตดูนะขณะวางแบบนี้มันยังมีอาการเกร็งอยู่แต่พอมือสัมผัสขา่าปุ๊บอาการเกร็งมันจเริ่มหายพอเราวางมือกดน้ําหนักลงไป อาการเกร็งมันจะหายหมดการเป็นสภาพที่เราเรียกว่าหย่อนหรือเป็นสภาพที่ทกล้ามเนื้อผ่อนคลายอันนี้สังเกตง่ายกว่ารูปร่างหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> รูปร่างสังเกตง่ายกว่าเลือกเอานะสองอย่างนี้นะโยมเลือกเอาได้นะบางคนรู้สึกสังเกตรูปร่างทําให้สงบได้ดีใช้รูปร่างบางคนรูปร่างมันกําหนดไม่ได้ไม่ชัดดูอาการเกร็งตึงตรงนี้ชัดก็ดูที่อาการเกร็งตึงอาการเกร็งตึงในอย่างนี้เราเรียกว่า วายาธาตุหรือว่าธาตุลมนะคือสภาพที่เกรง็งตึงหรือสภาพที่มันหย่อนหรือผ่อนเราอาจจะเอาตรงนี้มาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้เลยในการปฏิบัติสมถกรรมาฐานนะก็หมายถึงขณะที่เราเคลื่อนไหวเราสังเกตไปหรือสังเกตดูอาการเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆให้ใจสงบอยู่กับการสังเกตแบบนี้มีคำถามไหมคราวนี้เวลาโยมประยุกยมประยุกได้หมดเลยใช่ขณะที่โยมเดิน เมื่อสองครั้งเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อครั้งก่อนนะเมื่อครั้งก่อนนี้เวลาเดินนั้นอาจารย์บอกให้ดูรูปร่างของขาทั้งหมดบางคนบอกว่ามันสังเกตไม่ชัดเปลี่ยนมาดูอาการเกรงอาการตึงที่เกิดขึ้นขณะยกขามันเกรงตึงที่ตรงไหนขณะก้าวเกรงตึงที่ตรงไหนขณะวางเกรงตึงที่ตรงไหนตรงไหนมันผ่อนลงไปพอเท้าวางลงพื้นปุ๊บ มันจะมีอาการคลายตัวใช่ไหมก้ารเนือคลายตัวเนะี่ยการผ่อนเกิดขึ้นพอเราเริ่มกดเท้าลงไปมันจะมีอาการเกร็งเกิดขึ้นใหม่ขาอีกข้างหนึ่งจะเริ่มยกเนี่ยเราก็สังเกตอาการแบบนี้ในขณะที่เดินเราเรียกว่าสังเกตวายุธาตุจะลองทดลองไหมเอาลองสักหน่อยก็แล้วกันนะบางทีคุยแบบนี้แล้วก็โยมสังเกตไม่เห็นอ่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวโยมลุกขึ้นแล้วกัน พอมีระยะนะเราจะอาจจะไม่ได้ก้าวเดินก้าวเดินกันสักเก้าหรือสองเก้าเท่านั้นพอนะเดินมาข้างหน้ามันดูระยะกันนิดหนึ่งนะเช่นเดิมอเว้นระยะกันนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะรูปแบบการเดินเหมือนเดิมหมดนะจำไว้ว่าเดินแบบสบายๆมีความสุขในการเดินอย่าไปเพ่งมากนะอย่าไปสังเกตว่าจะเอาให้ชัดตลอดไม่รู้เรารู้สึกแค่ไหนเอาแค่นั้นก่อน เมืเตืนไปแล้วเมื่อใจสงบมากขึ้นเราจะเริ่มสังเกตอาการได้ชัดมากขึ้นเองอ่าพะายามให้โยมยืนตัวตรงนะไม่มองขานะตาเหลือบมองตามห่างตัวพอประมาณไม่ก้มหน้าแล้วก็ไม่ต้องมองขามองนี่ความรู้สึกมันจะไม่ชัดนะอ้าวนะถ้าพร้อมแล้วกําหน ด, ดที่ขาซ้ายก่อนกําหนดที่ขาซ้ายเอามือประสานไว้ที่ด้านหน้านะมือจะได้ไม่แก่อตอนนี้ไม่ต้องสนใจอย่างอื่น นอกจากขาทั้งสองข้างเราจะสนใจขาทีละข้างก็คือขาที่กําลังยกกําลังก้าวกาลังวางนะอ่าพร้อมนะอ้าสังเกตดูตอนนี้ที่ขามีอาการเกร็งไหมมีนะใช่ไหมขณะยืนนี้เราจะรู้สึกถึงอาการเกร็งที่บริเวณน่องกับต้นขาต้นขาด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะอ้าจากนั้นอ้าลองสังเกตอาการแบบนี้นะที่ฝ่าเท้าและที่ขาทั้งหมด มันมีอาการเกรงตรงไหนที่เกิดขึ้นบ้างในขณะที่เรากำลังจะยกขาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยกพรวดพลาดทันทนะีลองสังเกตก่อนก่อนที่ขามันจะเริ่มยกขึ้นมันเริ่มเกรงจากตรงจุดไหนก่อนนะ อ, อ, นะอ่าพร้อมนะอ่าแต่พร้อมแล้วเริ่มสังเกตนะยกก่อนค่อยยกอขึ้นมาเลยเก้าลองสังเกตวาง ถ้าวางเท้าลงสัมผัสพื้นแค่นี้ขาซ้ายจะยังไม่เกรงอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวพอเริ่มถ่ายน้ําหนักมันจะเริ่มเกรงใหม่ละสังเกตนะคราวนี้ขาขวาจะเริ่มยกยกขาซ้ายเริ่มเกง่งเพราะขาขาขวายกขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกถึงอาการเกรงที่ขาขวาก้าววางยก เก้าวางอาละแค่นี้ก่อนสังเกตได้ไหมเอ่ยมีใครไม่ได้ไหมอา้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมนั่งลงได้นะ เพราะฉะนั้นโยมเลือกเอาในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือในเรื่องของอิริยาบถเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยใช้อิริยาบถอาจจะสะดวกนิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆใจเรายังค่อนข้างฟุ้งเยอะก็ใช้วิธีการเดินแบบนี้นะี่แหละโยมเลือกเอาอารมณ์กรรมาฐานแบบไหนที่โยมสังเกตแล้วรู้สึกชัดนี้นวายโยธา น, นี้นอกจากอาการเกร็งตึงแบบนี้แล้วมันมีอาการเคลื่อนไหว อาการของมือที่เคลื่อนไหวในขณะที่เคลื่อนไหวแบบนี้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็เป็นวายโยธาอย่างหนึ่งเหมือนกันสังเกตได้ไหมเอ่ยเราจรู้สึกถึงมือที่มันเคลื่อนขึ้นใช่ไหมมือที่มันหมุนไม่ใช่รูปร่างที่เปลี่ยนแต่หมายถึงอาการเคลื่อนไหวมือที่มันพับเข้ามาอาการเคลื่อนไหวอย่างนี้ที่เกิดขึ้น อาการเคลื่อนไหวอย่างนี้เราก็อาจจะอาจจะสามารถเอามาใช้เป็นอารมณ์กรรมาฐานได้เช่นเดียวกันนะวันนี้โยมลองสังเกตตรงนี้นะวันนี้ถ้าโยมสังเกตภาวะรูปร่างไม่ชัดลองมาสังเกตอาการเกรงตึงหย่อนหรืออาการเคลื่อนไหวตรงนี้แทนอีกอย่างหนึง่งอาการเกรงตึงหย่อนแบบนี้โนะยมอาจจะสังเกตได้จากลมหายใจด้วยสังเกตอย่างไงเหมือนกับรูปร่าง คราวที่แล้วเอาตามาให้มันสังเกตที่หน้าอกและท้องว่ารูปร่างเปลี่ยนยังไงตอนที่เราหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมหายใจเข้าพองขึ้นหายใจออกยุบลงเราจะเห็นรูปร่างของหน้าอกกับท้องของเราที่กำลังเปลี่ยนแต่ถ้าโยมจะสังเกตวายโยธาสังเกตได้สองอย่างอย่างแรกคือสังเกตอาการที่มันเคลื่อนไหวรู้สึกถึงหน้าอกและท้องที่มันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลง อันนี้เราเรียกว่าดูการเคลื่อนไหวเป็นวายโยธาอย่างที่สองสังเกตอาการเกร็งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราหายใจเข้าเราจะรู้สึกถึงอาการเกร็งที่หน้าอกกคะท้องพอหายใจออกอาการเกร็งนั้นจะลดลงจะมาสังเกตอาการเกร็งอาการตึงและอาการผ่อนหรืออาการหย่อนแบบนี้ในขณะที่หายใจก็ได้เช่นเดียวกันสามอย่างแล้วนะที่ให้โยมสังเกตได้ พอไม่เอ่ยมีใครสามอย่างนี้ก็สังเกตไม่ชัดบ้างไหมมีไม่เอ่ยมีไหมถ้ามีให้ถามเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้พออาตมาสอนแล้วเนี่ยชั่วโมงแรกเนี่ยอาตมาจะให้โยมทำอย่างนี้ตลอดเป็นระยะเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ชั่วโมงหลังเราจะมาน่ค่อยๆมานั่งคุยกันในเรื่องของเนื้อหาต่อนะเราจะได้ฝึกในเรื่องของจิตใจของเราด้วย ไม่มีนะมันในชีวิตประจําวันโยมก็สามารถทําได้ใช่ไหมกวาดบ้านลองดูขณะยกแขนขึ้นเราจะสึกถึงอาการเกร็งที่บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณ น, นี้กับบริเวณ น, นี้อ้าวกวาดบ้านยกอ้าวกวาดนะเพราะกวาดไปอย่างนี้เราจะรู้สึกที่นี่กับด้านหลังด้วยอย่างนี้เป็นต้นโนะยมจะอยู่ในอิรยาบดไหนโ ย, ยมก็ทําได้ ก็ให้อยู่กับอาการสังเกตแบบนี้โดยเฉพาะเวลาที่เราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากก็ให้อยู่กับอาการอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นอาการที่เกื้อกูลสําหรับเราในการที่จะฝึกแล้วก็ในการที่จะปฏิบัติ ด, ด้วยอ้าวอันนี้อย่างแรกมีคำถามไหมเอ่อยอย่างแรกไม่มีนะข จะเป็นพรขณะนั่งโยมลองสังเกตว่าหลับตามันจะสังเกตเห็นชัดกว่าลืมตานะแต่ถ้าตอนที่โยมเดินอย่าหลับตาให้ลืมตาไม่งั้นมันจะเสียการทรงตัวแล้วมันจะพางวงกับการทรงตัวแต่ถ้าโยมบางท่านบอกว่าถ้าหลับตาทีไรขนาดขึ้นไหวอย่างนี้มันยังง่วงมันจะหลับลืมตานะแต่อย่าลืมตามองตรงมองนู่นมองนี่ ไม่ให้แขนก็ทำปลายตาก็มองคนนั้นเดินมาคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างงี้ไม่เอานะถ้าโยมจะลืมตาให้โยมเหลือบมองต่ำเหมือนพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธรูปเหลือบมองต่ำเหมือนกับเรามองพื้นอย่างเงี้ยแต่เวลาเราไม่ได้สังเกตสิ่งที่ตามองเห็นแต่สังเกตอาการเคลื่อนไหวหรืออาการเกรงตึงหย่อนที่เกิดขึ้นที่บริเวณแขนเจะเล่นถอนเข้าใจนะอ่าไม่มีคำถามนะเจะเล่นถอน ขณะนี้โยมบางท่านอาจจะไปเคยฝึกในอีกแบบหนึ่งมาโยมบอกว่าจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าบอกไม่จําเป็นหรอกอันนี้เบื้องต้นต่อไปเนี่ยที่อาตมาบอกมาทั้งหมดโยมต้องฝึกทั้งหมดอยู่แล้วแต่ตอนตั้งต้นเลือกเอาสิ่งที่โยมสังเกตได้ชัดก่อนก็แล้วกันมันจะได้ง่ายในการฝึกง่ายในการสังเกตทิศหนึง่งโยมบางท่านอาจจะไปเคยฝึกมาด้วยวิธีอานาปัญสติเพระนั้นอาตมาก็จะสอนอนาปันสติให้ด้วย เพราะฉะนั้นโยมที่นั่งอยู่นี่เนี่ยอาจจะปฏิบัติไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะถ้าเราเข้าใจหลักแล้วอันนั้นเป็นเพียแค่อารมณ์กรรมาฐานที่แตกต่างกันหรือว่าสิ่งที่ใช้กําหนดที่แตกต่างกันเท่านั้นคือบางท่านอาจจะดูอาการของลมเหมือนกันเป็นวายโยธาเหมือนกันแต่ดูอาการลมที่มันพัดพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกถ้าโยมถนัดวิธีนี้อยู่แล้วโยมสามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วยเพื่อให้จิตของเราสงบ อาการที่ลมพัดนี้เป็นอย่างไรนะอาการที่ลมพัดนี้อา้าวจะจะให้โยมลองทดลองอโยมนั่งตัวตรงแบบนั่งขัดสมาธิเลยนะเอานะ จากนั้นทําตัวให้สบายๆอย่าเกร็ง น, นั่งหลังตรงนิดหนึ่งไม่ต้องเกรง็งนะคราวนี้หลับตาให้โยมมาสังเกตที่บริเวณจมูกหรือโพรงจมูกแล้วแต่ว่าโยมรู้สึกที่ตรงไหนชัดนะให้โยมหายใจเข้าช้าๆเ ล, ล็กๆเยอะๆก่อนนหายใจเข้าให้รู้สึกผ่อนคลายขณะหายใจเข้านั้น รู้สึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นด้วยมีความสุขในการหายใจหายใจออกหายใจออกยังรู้สึกมีความสุขช้าๆแล้วก็เกี่ยวยาวสบายๆคราวนี้ให้โยมมาสังเกตที่บริเวณรูจมูกหรือที่บริเวณโพรงจมูกด้านบน ที่หลูจมูกนี้หรือที่โพรงจมูกด้านบนให้โยมลองสังเกตหายใจเข้าหายใจออกลองสังเกตลมที่มันสัมผัสแล้วแต่ว่ามันสัมผัสที่ตรงไหนที่เรารู้สึกได้ชัดโยมเลือกเอาสักจุดหนึ่ง ต้องระวังอย่าผ่อนมากเกินนะผ่อนเกินเดี๋ยวมันจะง่วงนอนถ้าใครไม่รู้สึกให้หายใจให้แรงกว่าเดิมนิดหนึ่งตอนนี้ให้หายใจช้าๆเล็กๆ ย, ยาวก่อนหายใจแบบสบายๆบนยะข้อสำคัญคือโยมอย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งเดี๋ยวลมหายใจจะติดขัดทาหน้าที่มองมันสังเกตมันเหมือนกับ เรานั่งมองดูต้นไม้โดนลมพัดน่ะ น, นะค่อยสังเกตความรู้สึกสัมผัสของลมที่มันวิ่งกระทบบางคนอาจจะรู้สึกที่โพรงจมูกบางคนอาจจะรู้สึกที่รูจมูกชัดตอนแรกๆมันอาจจะยังเป็นจุดใหญ่ๆอยู่ก็ดูจุดใหญ่ๆแบบนั้นนั่นแหละ นี้ให้โยมปล่อยลมหายใจให้เป็นธรรมชาติอย่าเพ่งนะถ้ายมรู้สึกอดอัดเมื่อไหรนะ่นั้นแสดงว่าโยมเพ่งมากเกินดูแบบสบายๆลองดูจุดที่ลมกระทบนั้นแบบสบายๆให้รู้สึกมีความสุขในการสังเกตทุกลมหายใจคือความดีงามทุกลมหายใจคือความสุข สังเกตลมที่มันสัมผัสบางท่านอาจจะที่รูจมูกบางท่านอาจจะที่โพรงจมูกด้านในบางท่านอาจจะที่ริมทีปากด้านบนแล้วแต่เอาแค่รู้สึกเท่านั้นพอละแลวลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ลมพัดเข้าในขณะที่ลมพัดออกคือในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกนั่นเอง ทำนี้หายใจช้าๆลึกๆเาียาวๆประมาณสักห้าครั้งเมื่อครบห้าครั้งแล้วให้ลืมตาขึ้นมาได้ เพนพอพอสังเกตลมที่กระทบได้ไหมเอ่ยมีใครสังเกตไม่ได้บ้างหายใจเข้าไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมเจริญพรทั้นให้ยมหายใจให้แรงขึ้นมากกว่าปะกะตินิดหนึ่งขณะหายใจแรงนี้รู้สึกไหมรู้สึกลมที่มันเข้าอย่างน้อยที่สุดบริเวณโพรงจมูกด้านบนตรงนี้น่าจะรู้สึก อตอนหายใจเข้านี้โพรงจมูกตรงนี้ก็ไม่รู้สึกหรือไม่ค่อยรู้สึกเนะี<ช>่ยอ่าไม่เป็นไรแล้วของโยมละเหมือนกันนะ<ช>หายใจเข้าไม่ค่อยรู้สึกถ้าเอาไม่ค่อยรู้สึกก็กลับกันไม่เป็นไรแต่ละคนนีอาจจะไม่เหมือนกันนะก็ถ้าเกิดไม่รู้สึกให้หายใจให้แรงก่อนประมาณสักสองสาครั้ง รู้สึกใช่ไหมถ้าหายใจแรงอย่างนี้จําความรู้สึกนี้ไว้แล้วจากนั้นก็ค่อยหายใจให้บาลงมานิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยลมหายใจให้เป็นธรรมชาติแต่หายใจให้ช้าๆตั้งแต่เกี่ยวยาวหายใจแบบหายใจแบบช้าๆถ้าอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจริญพรนะทีนี้การหายใจแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าอารมณ์กรรมฐ า, านมันเป็นอารมณ์ที่ละเอียด มันจะไม่เหมือนกับอาการเคลื่อนไหวหรืออาการยุบผองซึ่งมันจะเป็นอารมณ์ที่มันจะหยามแล้วก็มันจะเห็นได้ชัดกว่าเฉะนั้นบางคนมานั่งหายใจแบบนี้อาจจะไม่ถนัดทาให้ถนัดก็เอาไว้ก่อนได้นะเอาไว้ดูการเคลื่อนไหวหรือหรือดูรูปร่างให้ชัดเสียก่อน่อดูการเคลื่อนไหวหรือดูดูรูปร่างได้ชัดแล้วนะต่อจากนั้นเราค่อยมาสังเกตพวกนี้ก็ได้นะซึ่งต่อไปในโยมจะต้องสังเก ต, เ ท, ตทั้งหมดที่อาจามาสอนมาทั้งหมดเนี่ยต้องสังเกตทั้งหมด แต่ที่สอนให้หลายอย่างเหลือเกินตอนนี้นะอ ย, อย่างน้อยที่สุดตอนนี้สี่อย่างละรูปร่างเกรงตึงหย่อนเคลื่อนไหวแล้วก็อาการพัดของลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะถนัดไม่เหมือนกันนะนี้ไม่ถนัดไม่เหมือนกันโยมเลือกเอานะเลือกเอาแค่วิธีเดียวพอนะอย่าไป ท, ทําทีเดียวท่านั่งหนึ่งครั้งดูมันไปหมดเลยทุกทีกทุกอย่างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งฟุง้งโยมเลือกเอานะอารมก็มาฐานสี่อย่างนี้ เลือกเอาอย่างได้อย่างหนึ่งที่เราทำแนละ้ว ม, มันรู้สึกชัดเราสังเกตได้ดีรู้สึกได้ชัดแล้วก็ทําสิ่งนี้ไปตลอดให้ใจเราสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่สังเกตนี้ทีนี้การสังเกตในลักษณะแบบนี้ถ้าใครรู้สึกมีคําพูดคุยกับตัวเองเยอะะบางคนเกรงตึงหย่อนนี่ก็ยังคุยอยู่ลมหายใจนี่ยิ่งคุยเยอะเลยลมหายใจในบางคนบอกยิ่งคุยเยอะเลย ถ้าใครถนัดลมหายใจใช้ลมหายใจแต่ถ้ายังมีอาการคุยเยอะทําอย่างไรให้โยมใช้คำพูดหรือคำบริกรรมเข้ามาช่วยกากับถ้าสังเกตอาการเคลื่อนไหวหรือเกรงตึงหย่อนโยมอาจจะใช้คำว่าพองยุบก็ได้ยุบพองก็ได้แล้วแต่แต่สังเกตอาการที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นลมหายใจเข้าออกท่านมีวิธีอยู่หลายวิธีด้วยกันในการใช้คาบริกรรมเข้ามาสังเกต วิธีแรกเป็นวิธีอย่างง่ายๆซึ่งในหลายๆที่ท่านจะใช้กันก็คือใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพุทธหรือพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยแต่คำพูดนี้เวลาเรานึกเนี่ยเรานึกคำพูดในใจไม่ต้องพูดออกมาเป็นคาพูด ในขณะที่เรานึกเป็นคำพูดในใจจะเห็นว่ามันจะช่วยตรึงจิตทําให้เราไม่สามารถคิดเป็นคําพูดเรื่องอื่นได้คิดเป็นคําพูดแบบลากยาวเลยนะหายใจเข้าพูดโทนึกเป็นคําพูดแบบลากยาวอย่างนี้เลยเวลาเรานึกเป็นคําพูดในใจแบบเนี้ยเราจะคุยกับตัวเองเรื่องอื่นไม่ได้มันก็จะช่วยตรึงจิตบางที่ท่านอาจจะใช้คําว่าสัมมาอารหังก็ได้นะ คำพูดนี้ใช้คำพูดในทางที่ดีงามหรือเป็นคำพูดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นหายใจเข้าเราอาจจะนึกเป็นคำพูดในใจเลยเข้าออกอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำพูดในทางที่ดีงามแบบนี้เวลาเรานึกถึงคำพูดในทางที่ดีงามหรือเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิ่งที่เรากาลังปฏิบัติอยู่มันก็จะได้ช่วยตรึงจิตของเรา แต่จำไว้ว่าสิ่งที่เราสังเกตนั้นคือลมหายใจที่วิ่งเข้ากระทบและวิ่งออกกระทบนะไม่ใช่คำพูดคำพูดนั้นเป็นส่วนเสริมเท่านั้นเอาไว้ช่วยตรึงจิตอันนี้แบบแรกนะสำหรับลมหายใจส่วนคนที่สังเกตอาการขึ้นไหวของหน้าท้องก็เป็นยุบพองก็ได้นะหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นะแล้วแต่ว่าที่มันจะสื่อความหมายกับโยมได้ดี อย่างที่สองในสมัยโบราณท่านก็จะมีอุบายท่านบอกว่าบางทีพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยบางทีมันเพลินไปแล้วเราก็จะลืมแล้วมันก็จะคิดท่านก็เลยใช้วิธีให้ใช้วิธีการนับที่จะช่วยตรึงจิตเราเอาไว้ซึ่งการนับในลนักษณะของการนับลมหายใจนี้เราจะนับแบบนี้ หายใจเข้าสังเกตลมที่วิ่งและกระทบโพรงจมูกพร้อมกันนั้นนึกในใจด้วยหนึ่งนึกแบบลากเสียงยาวเลยขณะที่ลมวิ่งกระทบโพรงจมูกตรงนี้นึกในใจด้วยหนึ่งลมวิ่งออกหนึ่งหายใจเข้าใหม่นับสอง สองสามสามเราจะนับแบบนี้นับไปจนกระทั่งถึงห้าแล้วตั้งต้นใหม่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าแล้วเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเป็นหกหกจากนั้นย้อนกลับมาตั้งต้นใหม่เราจะนับไม่ต่ำกว่าห้าแต่ไม่เกินสิบ สมมติว่าจะนับถึงเจ็ดเมื่อกี้นับถึงหกแล้วต่อไปเริ่มต้นใหม่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สีห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดครบจำนวนแล้วใช่ไหมต่อไปนับถอยถอยหลังนับหนึ่งถึงหกนับหนึ่งถึงห้าพอถึงห้าเราจะไม่ต่ากว่าห้าเรก็นับเพิ่มขึ้นไปใหม่นับหนึ่งถึงหกนับหนึ่งถึงเจ็ดถึงหกถึงห้าถึงหกถึงเจ็ดถึงหกถึงห้าเราจะนับแบบนี้ ในขณะนับนั้นทำแบบสบายๆ ส, สังเกตลมหายใจตอนนี้สิ่ง ท, ท, ที่จะตึงจิตจะมีอยู่สองอย่างก็คือการนับและจำนวนที่เรานับถึงวิธีการนี้ดีในแง่ของผู้ปฏิบัตินะปฏิบัติใหม่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยมเผลอหรือยมนึกเราจะลืมว่านับถึงเท่าไหร่ <c oughs> เราจะรู้ได้ทันทีว่าขาดแล้วตอนนั้นนะ แสดงว่าเราเผลอเรานึกไปเรียบร้อยแล้วเราจะลืมเลยเอมันจะต้องนับถึงเท่าไหร่เนี่ยมันจะนึกไม่ออกพอนึกไม่ออกนิยมกลับมาทําใหม่นับเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งหนึ่สองสามสอสามสี่สี่ห้าห้าใหม่แล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้มันจะตึงจิตได้ดีเผลอเมื่มอไหร่ลืมเมื่อไหร่รู้เหมือนนั้นถ้านับแต่ละครั้งแต่ละครั้งโอ้มันเผลอบ่อยเหลือเกินหรือ ม, มันลืมบ่อยเหลือเกินก็อย่าเพิ่งไป กังวลนะอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันหรือว่าโอ้เนี่ยเป็นธรรมดา ธ, ธรรมชาติเอาละเดี๋ยวเราตั้งใจให้มากขึ้นนิดหนึ่งคอยสังเกตให้ต่อเนื่องนิดหนึ่งอันนี้คือวิธีการนับนะถ้าเรานับได้ดีแล้วต่อไปการนับแบบนี้เราจะทิ้งเหลือแต่ความรู้สึกของลมหายใจที่กระทบเท่านั้นจิตจะสงบเป็นสมาธิมากขึ้นไปอีกแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าโยมจะเริ่มคุยกับตัวเองเยอะ มีเรื่องนึกเยอะจริงต้องใช้การบริกรรมและการนับเหล่านี้เข้ามาช่วยตรึงจิตของเราอ่าเข้าใจไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอานะรูปร่างเกรงตึงหย่อนเคลื่อนไหวลมหายใจที่พัดเข้าพัดออกย่อมไปฝึกบางทีบางทีเขาจะให้ดูแต่ลมหายใจ น, นี้อย่างเดียวเลยเวลาเดินก็ไม่ไม่สังเกตขาไม่สังเกตรูปร่าง ขณะเดินก็ให้สังเกตแค่ลมหายใจที่เข้าออกในขณะเดินนี้เท่านั้นให้รู้สึกอยู่อย่างเดียววิธีการอย่างนั้นก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าตอนที่เดินโดยปกติแล้วเราจะสังเกตหรือรู้สึกที่ขาชัดมากกว่างนั้นโดยปกติเวลาเดินอาตมาก็จะให้เปลี่ยนมาดูอิริยาบถแต่เวลานั่งให้โยมเลือกเอาเกรงึงย่อนในขณะทุยพองรูปร่างที่เปลี่ยนในขณะที่ เราหายใจเข้าหายใจออกหรืออาการเคลื่อนไหวของหน้าอกและท้องที่เกิดขึ้นในขณะหายใจหรือลมที่มันพัดเข้าพัดออกที่รู้จมูกของเราในขณะที่เราหายใจเข้าออกยมเลือกเอาแค่อย่างเดียวเท่านั้นในสมัยก่อนท่านให้ข้อแนะนำอย่างนี้ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราถนัดอะไรท่านบอกว่าให้ทดลองอย่างละสามวัน แต่อย่างเราสามวันของท่านคือทำกันทั้งวันนะนะอให้มันแน่อนอนนะว่าอันไหนที่เราทำแล้วมันชนัดนะล้วก็มีเวลาหน่อยนะเราลองทำสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะนั่งส5บห้านาทีเดิน15บห้านาทีนั่งสิบห้านาทีเดินสิบห้านาทีประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วลองดูซิว่าเออไออารมณ์กรรมาฐานที่อาจารมาบอกไปทั้งหมดสี่อย่างเนี้ยอ่าเอาอย่างแรกก่อน ทำตลอดเลยหนึ่งชั่วโมงชัดไหมถ้ารู้สึกได้ชัดเอออันนี้เรารู้สึกได้ชัดเราก็เอาอาจจะเอานี้เลยถ้ารู้สึกได้ไม่ชัดเอาลองอย่างที่สองอาการเกรงตึงหย่อนชัดไหมไม่ชัดเอาลองอย่างที่สามอาการเคลื่อนไหวอย่างที่สามไม่ชัดเอาลองอย่างที่สี่ลมหายใจถ้ายังไม่ชัดอีกค่อยมาหาอาตมา แลเดี๋ยวจะได้ลองลองทดลองไปได้วยกันนะถ้ายังไม่ชัดอีกค่อยมาหาอาตมานะให้ให้ไว้สี่อย่างลองกลับไปทดลองดูก่อนเพราะแต่ละคนนั้นมีจริยาแตกต่างกันหรือมีความถนัดแตกต่างกันนะอารมณ์กรรมาฐานนี้จึงสามารถแตกต่างกันได้อันนี้ไม่เป็นปัญหานะจริงๆอารมณ์กรรมาฐานมีมากกว่านีนะ้เดี๋ยวจะได้สอนต่อไปอีกทีหนึ่งแต่ทำามาคิดว่าสี่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไม่ต้องไปเตรียมอุปกรณ์อะไรนะแล้วทําได้ในตลอดในทุกขณะของเราด้วย คือว่างเมื่อไหร่เราสามารถทำได้เลยก็จะแนะนำสี่อย่างนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานสำหรับโยมมีคำถามไหมเอ่ยเจริญพรเหลือแค่อย่างเดียวพอ ไม่ต้องไปสังเกตอาการที่มันรู้สึกขยับเหมือนทนจะรู้สึกขยับที่บริเวณนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปสังเกตตรงนั้นรู้สึกถึงลมที่มันกําลังวิ่งเข้ามากระทบใช่ไหมรู้สึกถึงเฉพาะจุดกระทบของลมเท่านั้นพอละในตอนเริ่มต้นนี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งตามยังไม่ต้องตามลมนะบางที่จะเริ่มบอกเลยว่าให้ตามลมในที่นี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งตามลมถ้าตามลมเนี่ยบางทีคนที่ฝึกใหม่ๆมันจะอึดอัด ถ้าเราสังเกตที่จุดเดียวนี้มันจะรู้สึกสงบได้ดีกว่าแต่บางคนมานั่งสังเกตลมหายใจแบบนี้หลับนะบางคนหลับถ้าหลับทํำยังไงลืมตาได้แต่พร้อมกันนั้นให้พยายามกําหนดด้วยนะถ้าใครนั่งแล้วรู้สึกน่วงโยมอาจจะใช้คําบริกรรมเข้ามาช่วยพร้อมกับการใช้เนาะการน้อมจิตตามหายใจเข้านึกถึงใจหายใจเข้าสว่างมีความสุขนึกถึงแสงสว่างในศีสันเราเยอะๆในขณะหายใจเข้า หายใจออกสว่างมีความสุขรู้สึกแสงแสงสว่างในศรีรษะเราเยอะเยอะเหมือนเรานั่งมองสปอตไลท์นะรู้สึกถึงความสว่างแบบนั้นเยอะเยอ ะ, จะเออะจริญพรเจริญพรย่อมีคําถามอะไรเอ่ยขวาทับซ้ายใช่ อ๋อก็สามารถใช้ได้นะขวาทับซ้ายนี้อย่างที่อาตมาอธิบายไว้คราวที่คราวก่อนว่าเนื่องจากว่าการนั่งของแต่ละคนส่วนใหญ่คนจะถนัดขวาเวลายกเท้าขวาเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ค่อยเสียการทรงตัวเท่าไหร่ก็เลยไม่จะแนะนําให้ใช้ขวาทับซ้ายนะจริงๆขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาหรือจะเอาทั้งขวาทั้งซ้ายทับกันแบบนั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้นะอันนั้นยิ่งดีเลยนะจะเรียนพะร้อก็เลือกท่านนั่งที่ถนัดนะบางท่านปวดเข่า นั่งขัดสมาธิอย่างนี้ไม่ถนัดก็นั่งเก้าอี้นะแล้วนั่งไม่เกินสามชั่วโมงไม่มีปัญหาละจะเรียนพอจะเรีนพ อ, นะ อ, นพอใช้ได้เหมือนกันสี่กรรมฐานนี้โยมใช้ได้ทั้งยืนเดินนั่งนะสี่กรรมฐานนี้ใช้อารมณ์กรรมฐานทั้งสี่นี้ โอมเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ อ, อย่าเพิ่งไปทำสลับกันนะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะขณะที่นั่งถ้าสมมติว่ารู้สึกอาการเกรงตึงหย่อนในขณะที่เดินชัดนั่งแล้วก็เกรงตึงหย่อนโดยใช้การเคลื่อนไหวของแขนด้วยพอการเคลื่อนไหวของแขนเมื่อมาสังเกตหน้าอกกรท้องนะก็ให้เป็นทางเลือกสําหรับโยมไว้นะจเจริญพรมีคาถามอย่างอื่นไหมเอ่ยเจริญพร ไม่ต้องสนใจในตอนเริ่มต้นนี้เวลาที่เราปฏิบัติกรรมฐานนั้นไม่ว่าอาการอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจกลับมาใส่ใจอย่างเดียวกับอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นนะเพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติเวลาที่จิตเราสงบนั้นมันจะมีอาการหลายอย่างที่เราเริ่มสังเกตเห็นบางคนนั่งแล้วรู้สึกเสียงหัวใจมันเต้นแรงเหลือเกินตุบๆๆๆจนน่านลำคานบางคนรู้สึกถึงอาการสั่น ในร่างกายของเราคือการอาการชีพจรเต้นตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจนะตอนที่เรานั่งเป็นแบบสมรถต้องการให้จิตสงบเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าอาการอะไรเกิดขึ้นยอมทิ้งทั้งหมดใส่ใจอยู่อย่างเดียวกับอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นจะหลงผ่อแสบจมูกเป็นยังไงเอ่ยห อ, ย อ, อถ้ามีอาการแสบจมูกนี้ แนะนำอย่างนี้นะก่อนที่โยมจะนั่งโดยเฉพาะถ้าจะกําหนดลมหายใจเข้าออกให้โยมใช้น้ำล้างจมูกนิดหนึ่งน้ําล้างจมูกยังไงตักน้ําขึ้นมาสูดน้ําเข้าไปนิดหนึ่งนะไม่ต้องสูดเข้าไปแบบกระลงไปในปอดด้าน ต, ตอนนี้นสําลักนะสูดเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็พ่นมันออกมานะเนี่ยท่านอย่างนี้สักสองสาครั้งมันจะทําให้รูจมูกของเราโล่งบางทีมันจะมีพวกขี้ฝุ่นหรือว่ามีพวก ขี้มูกพวกนี้ติดอยู่พวกนี้จะได้ล้างออกนะครับนี้เวลานั่งมันจะรู้สึกโล่งนะจะเรียนพอจะเรียนพอว่าไงเอ่ยอ๋อนั่นแนะ่ะคืออาการ ท, ที่เราตั้งใจมากเกินนะวิธีการอย่างง่ายๆนะถ้านั่งใครนั่งแล้วรู้สึกเกร็งรู้สึกเครียดคราวนี้ถ้าการเคลื่อนไหวนี้ เกรงไหมมาทันไม่เอ่ยทันเอาไม่ทันเลยอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกนะอ้าวไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่ากําหนดลมหายใจแล้วเรารู้สึกเกรงรู้สึกเครียดวิธีการอย่างง่ายๆให้ใช้คําพูดคามาช่วยเรารู้ตัวว่าเราเกรงให้ใช้คําพูดในทางตรงกันข้ามหายใจเข้าผ่อนคลายมีความสุข หายใจออกผ่อนคลายมีความสุขนึกเป็นคําพูดอย่างนี้ไว้ในใจและในขณะที่หายใจให้รู้สึกถึงร่างกายที่มันผ่อนคลายสบายๆแล้วหายใจอย่างมีความสุขจากนั้นนับไปเรื่อยๆก็ได้หายใจเข้าผ่อนคลายมีความสุขหายใจออกผ่อนคลายมีความสุ ข, ออ ข, สขและให้รู้สึกสบายๆผ่อนคลายไ ป, yeah. ไปไเรื่อยๆแบบนั้นอาการเกร็งแบบนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปอย่างที่สองไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่ชัด แล้วก็อย่าไปกลัวว่ามันจะคิดฟุง้งเพราะบางทีอาการเพ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้มันคิดพอเราไม่อยากให้มันคิดกลัวมันจะคิดเราก็พยายามเพง่งแล้วพยายามจะหยุดคิดอาการอย่างนั้นอย่าไปทำํำนะถ้ามันความคิดมันเกิดขึ้นก็ดูว่าเอ้าก็เป็นธรรมดาธรรมชาติมันมากับมาที่ลมหายใจเราทำไปเรื่อยๆบางทีมันจะรู้สึกทั้งลมหายใจทั้งความคิดด้วย ครั้นี้ถ้าเราฝึกใหม่ๆมันจะกังวลบอกโอ้ยอย่างนี้ลอ า, ลลารมณ์กรรมฐานเราไม่ชัดเราอยากจะให้มันชัดครั้นี้มันจะเกรงถ้าเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นคิดๆไปเรื่องของเขาแล้วมาสายใจกะลมหายใจของเราไปเรื่อยๆเขาพยายาไปไเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดนั้นมันจะหายไปเองแต่ถ้าถ้าเรากังวลว่าทําไมเราคิดเมื่อไหร่มันจะเลิกคิดนั่นแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กะลมหายใจเรากําลังอยู่กับความกังวลเรื่องความคิดมันก็จะอาการพวกนี้มันก็จะยังอยู่อย่างนั้นไปตลอด แล้วมันก็จะคิดอยู่ตลอดมันทาเวลาทำกรรมฐานนี้ถ้าความสุขไม่เกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้และเรื่องของอารมณ์กรรมฐานจะชัดหรือไม่ชัดเราไม่สามารถเร่งได้นะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือใจเย็นๆทำไปอย่างมีความสุขค่อยๆสังเกตไปเรื่อยเมื่อจิตมันค่อยๆส ง, งบลงมามันจะค่อยๆชัดขึ้นเองตามลาดับจะเรียนพอ ลองทดลองดูนะถ้าติดปัญหายังไงเดี๋ยวค่อยถามอีกทีหนึง่งนะเจริญพอรอ้าวโยมท่านอื่นมีคำถามอย่างอื่นไหมเอ่ยเจริญพรเจริญพร ถ้าไม่รู้สึกแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าจิตเราเริ่มสงบนะการกำหนดลมหายใจคือลมที่พัดเข้าพัดออกเนี่ยมันจะต่างจากอาการเคลื่อนไหวตรงที่ว่าการเคลื่อนไหวนี้เวลายิ่งจิตสงบมันยิ่งสังเกตชัดแต่ลมหายใจนี่จะตรงข้ามยิ่งจิตสงบลมหายใจยิ่งไม่ชัดนะที่ไม่ชัดเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อจิตใจของเราสงบลมหายใจมันจะเบาลงไปเรื่อย ลมหายใจเบาถ้าจิตเรายังสงบไม่พร้อมมันก็จะรู้สึกเหมือนกับลมหายใจมันหายไปถ้าเกิดอาการอย่างนั้นก็ไม่ต้องตกใจจริงๆลมหายใจยังมีอยู่วิธีการก็คือให้โยมมากําหนดว่าลมหายใจมันเคยกระทบที่บริเวณไหนเคยสัมผัสที่บริเวณไหนที่เรารู้สึกเฝ้าดูที่บริเวณนั้นดูไปเรื่อยๆนะมันไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกงังวลสังเกตอยู่ที่บริเวณนั้นไปเรื่อยๆ ในขณะที่เราสังเกตไปเรื่อยๆแบบนี้สักพักเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับมารู้สึกเองไม่ต้องหายใจเข้าให้แรงหายใจออกให้แรงในขณะนั้นแสดงว่าจิตมันสงบดีในระดับหนึ่งแล้วกลับมาสังเกตไปเรื่อยเมื่อสังเกตไปเรื่อยๆจิตมันสงบลมหายใจที่ละเอียดมันจะเริ่มปรากฏกับเราลมหายใจหยาบมันหายไปแล้วแต่ลมหายใจละเอียดนั้นจิตเรายังละเอียดไม่พอที่จะไปจับมันมันจึงรู้สึกว่าลมหายใจมันหายไปเท่านั้นเอง มันไม่ต้องไปกังวลนะจะเรียนพอไม่จำเป็นนะถ้าลมหายใจสงบดีแล้วไม่จำเป็นนะแต่ว่าเมื่อทําอย่างนี้ได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวพอขึ้นในเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยอตมาจะให้โยมเปลี่ยนมาจับความเคลื่อนไหวอาการเกรงตึงหย่อนและภาวะรูปร่างทั้งหมดเลยตอนนี้เอาไว้เป็นเครื่องมือเพื่อให้จิตของเราสงบก่อน ทิงให้เลือกแค่อย่างเดียวพอนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทําสลับนะทําสลับนั้นแทนที่มันจะสงบได้ดีบางทีมันจะไม่สงบแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะตอนแรกนี่อย่าเพิ่งทําสลับนะการสลับหรือการไปดูทุกองค์ประกอบนั้นยังไงได้ดูอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าให้เป็นอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นถัดไปขั้นแรกนี้เอาเป็นว่าเมื่อเราต้องการสังเกตสิ่งใดเราสามารถสังเกตสิ่งนั้นได้อยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องเอาอันนี้เป็นขั้นต้นก่อนจะเร็วพอ อ้าวเจริญพรไม่ใช่เมื่อกี้ที่อตาตมานเน้นย้าไว้ว่าอย่าตามลมหายใจนะดูเฉพาะที่รูจมูกหรือโพรงจมูกที่ลมหายใจกระทบเท่านั้นพอการตามลมหายใจนั้นเดี๋ยวเอาไว้อีกขั้นหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งนะอันนั้นจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเราไม่ตาม ดูเฉพาะที่รูจมูกหรือที่โพรงจมูกที่เรารู้สึกชัดตอนที่ลมมันพัดเข้าพัดออกเอาแค่นี้เอาแค่อย่างเดียวนี้พอนะยังไม่ต้องตามเดี๋ยวพอสังเกตอันนี้ได้ชัดในขั้นตอนต่อไปพออาตมาพูดถึงเรื่องของขึ้นเรื่องของวิปัสสนาอาตมาจะให้ดมดูตลอดทั้งหมดนะแต่ครนี้ถ้าเราดูจุดเดียวได้ชัดแล้วเวลาเราดูตลอดทั้งหมดเนี่ยมันจะชัดทุกส่วนเลยนั้นตอนเริ่มต้นอย่าเพิ่งตามนะแนะนําว่าอย่าเพิ่งตามจะดีที่สุดเจะเรียพอเข้าใจนะ จเจริญพรเจริญพรอ๋อคราวนี้ลมหายใจยมรู้สึกหรือเปล่ารู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้ยมรู้แค่ลมหายใจอย่างเดียว อย่างอื่นไม่ต้องไปสังเกตอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอาตมากาลังสอนในขั้นต้นนะืม่สอนในเบื้องต้นต้องการว่าเมื่อเราต้องการจะอยู่กับสิ่งใดใจเราอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่คิดออกไปสู่เรื่องอื่นการฝึกอย่างนี้เป็นการฝึกเพื่อให้จิตมันสงบผลที่ได้ก็คือมันจะสงบแล้วก็รู้สึกแต่ลมหายใจอย่างเดียวแทบจะไม่ไปรับรู้อาการอย่างอื่นแทบจะไม่มีความคิดอย่างอื่นฟุ้งขึ้นมาเลย ถ้าได้ขั้นนี้แล้วจิตสงบอย่างนี้แล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใช้ต่อเจริญพรต้องเน้นย้ํานิดหนึ่งว่าตอนนี้กําลังสอนในแง่ของเบื้องต้นเบื้องต้นในที่นี้ก็คือเน้นในเรื่องของการฝึกเพื่อให้ลมเพื่อให้จิตใจของเราสงบระงับเมื่อต้องการจะอยู่กับสิ่งใดเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นแล้วตามสิ่งนั้นได้ต่อเนื่องนยังไม่ได้สอนในเรื่องของวิปัสสนาเจริญพร เมื่อกี้อาตมาได้ตอบไปแล้วไม่ทันฟังมั้งเมื่อกี้เจริญพรนะเอานะเจริญพรก็ตามที่ตกลงกันไว้ว่าจะมีพักให้นะหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะพักให้ประมาณสักห้านาทีนะเผื่อว่าโยมจะไปเข้าห้องน้ําหรือว่าอย่างไรนะก็เดี๋ยวให้โยมพักประมาณสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่สองนะประมาณสักสิบเอ็ดโมงสิบนาทีนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะในเรื่องของอในเรื่องของการปฏิบัติ แล้วขราวหน้านั้นจะแยกละนะแยกก็คือว่ามาถึงหนึ่งชั่วโมงแรกอาตมาจะให้ปฏิบัติต่อเนื่องไปเลยแต่จากนั้นชั่วโมงที่สองเราจะค่อยมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งนะะถ้างั้นเดี๋ยวให้โยมพักก่อนประมาณสักห้านาทีจะเป็นพอ